นางสนม6กหมืคนและประชาชนมีเหล่าอมัดเป็นต้นนับตั้งแต่พระราชาและพระนางจันทาเทวีเป็นต้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระมหาสัตว์นั้นแล้วได้มีความประสงค์จบะบรรพชาในคราวนั้นครั้งนั้นพระราชาโปรดให้ตีกรองประกาศในพระนครว่าชนใดๆปรารถนาจะบวชในสำนักลูกเรา ชนนั้นๆจงบวชเถิดและโปรดให้เปิดประตูพระคลังทองเป็นต้นทั้งหมดแล้วให้จารึกในแผ่นทองผูกไว้ที่เสาทองพระโรงว่าหม้อขุมทรัพย์ใหญ่มีอยู่ในที่โน้นด้วยในที่โน้นด้วยผู้ที่ต้องการจงถือเอาเถิดฝ่ายชาวพระนครทั้งหลายก็ละทิ้งร้านตลาดตามที่เปิดเสนอขายของกัน และทิ้งบ้านเรือนซึ่งเปิดประตูไว้ไปสู่สำนักแห่งพระราชาพระราชาทรงผนวดในสำนักของพระมหาสัตว์พร้อมด้วยประชาชนเป็นจำนวนมากอาสมสถานสามยอที่เท้าสักกะเทวราชถวายเต็มไปหมดพระมหาสัตว์ทรงพิจารณาบานนารรณศาลาทั้งหลายทรงมอบบนนารรณศาลาทั้งหลายที่ใน่ามกลางแก่เราสตรีเพราะเหตุไร เพราะสตรีเหล่านี้เป็นคนขลาดพระมหาศัตว์ทรงพิจารณาแล้วทรงมอบบรรณาศาลาหลังนอกนอกแก่เหล่าบุรุษในวันรักษาอุโบสถบรรพชิตชายหญิงทั้งหมดเก็บผลไม้ที่ต้นไม้มีผลทั้งหลายอันพระวิสุกรรมเนรมิตไว้ซึ่งหล่นลงที่พื้นดินมาบริโภคแล้วเจริญสมณะธรรมบรรดาบรรพชิตเหล่านั้นผู้ใดตรึกการมบิตก พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกพระมหาสัตว์ทรงทราบวารจิตแห่งผู้นั้นสเสด็จประทับนั่งแสดงธรรมสังสอนในอากาศบรรพชิตเหล่านั้นทั้งหมดฟังพระโอวาสนั้นแล้วทำอภิน ญ, ญาห้าและสมาบัติ8ให้เกิดพลันทีเดียวการนั้นกษัตริย์สามัตราชองหนึ 1, ่งทรงสดับว่าได้ยินว่าพระเจ้ากาศิกราชทรงผนวดแล้ว จึงทรงคิดว่าเราจะยึดเอาราชสมบัติในกรุงพารณสีเสียจึงเสด็จออกจากพระนครของพระองค์ถึงกรุงพารณสีเสด็จเข้าสู่พระนครท่าพระเนตรเห็นพระนครซึ่งตกแต่งไว้จึงเสด็จขึ้นพระราชนิเวศท่าพระเนตรดูรัตนอันประเสริฐเจ็ดประการทรงดำริว่าใครอย่างหนึ่งพึงมีพระอาศัยทรัพย์นี้ รับสั่งให้เรียกพวกนักเลงสุรามาตรัสถามว่าแน่ ä, พ่อนักดื่มทั้งหลายในพระนครนี้มีภัยเกิดขึ้นแกพระราชาผู้เป็นเจ้านายของพวกท่านหรือพวกนักเลงกราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ากษัตสามันตราตรัสว่าประเหตุไรพวกนักเลงก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ เตมิยกุมารผู้เป็นโอรสของพระราชาของพวกข้าพระองค์ทรงเห็นว่าจะครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทำไมมิได้เป็นใบก็แจ้งทำเป็นใบสเสด็จออกจากพระนครนี้เข้าป่าทรงผนวตเป็นฤาษีเพราะเหตุนั้นแม้พระราชาของพวกข้าพระองค์พร้อมด้วยมหาชนก็ได้สเสด็จออกจากพระนครนี้ไปสำนักของเตมิยกุมาร ทรงผนวดแล้วพระเจ้าสามัตราตรัสถามว่าพระราชาของพวกเจ้าเสด็จออกทางประตูไหนเมื่อเขากราบทูลว่าเสด็จออกทางประตูทิ่ตะวันออกก็เสด็จออกทางประตูนั้นเหมือนกันได้เสด็จไปตามฝั่งแม่น้าพระมหาสัตว์ทรงทราบว่าพระเจ้าสามัญตราเสด็จมาทรงต้อนรับแล้ว ประทับนั่งในอากาศแสดงธรรมแก่พระเจ้าสามันตราตนั้นพระราชาสามัญตราตนั้นพร้อมด้วยบริษัททรงสดับธรรมแล้วทรงผนวดในสำนักของกระมหาสัตว์นั้นแม้พระราชาอื่ น, อ, นอื่นอีกคือองค์นี้บ้างองค์นี้บ้างสามพระองค์ต่างก็ทรงละทิ้งราชสมบัติทรงผนวดแล้วอย่างนั้นนั่นแลด้วยประการชนิษ สถานที่ตรงนั้นได้เป็นมหาสมาคมช้างทั้งหลายก็กลายเป็นช้างป่าม้าทั้งหลายก็กลายเป็นม้าป่าแม้รถทั้งหลายก็ชำรุดสุดโทมไปในป่านั่นเองพันดะเครื่องใช้สอยและกะหาปณะทั้งหลายก็เรียรายเกลื่อนดุดทรายที่ใกล้อาสมสถานบรรพชิตทั้งหมดนั้นทำสมาบัดแปดให้บังเกิดในที่นั่นเอง เมื่อสิ้นชีวิตได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแม้ช้างและม้าทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานยังจิตให้เลื่อมใสในหมู่ฤรือสีทั้งหลายได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นกามาจรหกชั้นพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เราละราชสมบัติออกบวช แม้ในการก่อนเราก็ได้ละราชสมบัติออกบวชเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประกาศอริย ส, สัตสีแล้วประชุมชาดกเทพธิดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่สเสวตฉัตรในการนั้นเป็นภิกษุณีชื่ออุบลวันนาในบัดนี้นายสุนันทสารถีในการนั้นเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้เท้าศักกะในการนั้น เป็นพระอนุรุตในบัดนี้พระชนกและพระชนนีในการนั้นเป็นมหาราชสกุลในบัดนี้บริษัทนอกนี้ในการนั้นเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ส่วนบัณฑิตผู้ทาเป็นใบ้ทาเป็นง่อยเปรี้ยก็คือเราผู้สมัมมาสัมพุทธนี่เองแลเตมิยชาดกจบ